บัรนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็อขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค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 บรมปฏิบัติกรรมฐานในพัสการนี้และก็จะได้เริ่มต้นสวดมหาสติปัฏฐานสูตรตั้งแต่ต้นต่อจากการแสดงบรรยายตามที่เคยปฏิบัติมาทุกปีเพราะว่าสติปัฏฐานสีน่นี้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง ในมหาสติปทานนสูตรได้รวบรวมหลักธรรมะเข้าในแต่ละข้อแห่งสี่ข้อนี้เป็นอันมากเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่ามิใช่เพียงสติเท่านั้นยังประกอบไปด้วยปัญญาและหากว่า จะยกชื่อธรรมะหมวดอื่นขึ้นแสดงเช่นโพชงเจ็ดมรรคมีองแปดก็ตรัสประมวลไว้ในสติปัฏฐานข้อที่สี่นั่นด้วยในพระสูตรอื่นในแยกแสดงจำเพาะข้อจำเพาะข้อเช่นแสดงสติปัฏฐานสี่ แสดงโพธชงเจ็ดแสดงมรรคไมองค์แยกหมวดกันออกไปแต่ในมหาสติปฐานสูตรนี้ได้ทรงประมวลเข้าไว้ในพระสูตรเดียวกันและก็ในขนานนามพระสูตรนำว่ามหาสติปฐานสูตรและแม่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 ันหมายถึงวิธีปฏิบัติประกอบแตกต่างกันไปแต่ก็ประมวลเข้าในหลักของสองสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ด้วยกันทั้งหมดเค่นั้นจินได้ถือเป็นพระสูตรหลักตั้งตนแสดงตั้งตนสวน ตั้งแต่วันอบรมปฏิบัติกรรมฐ า, านหรือว่าจิตภาวนาต้นพรรษาทุกปีโดยลำดับมาแต่ในการแสดงอบรมบรรยายนั่นได้นำข้อธรรมต่างๆมาแสดงนำได้อธิบายสติปัฏฐานโดยตรง ตามสมควรเพราะว่าได้แสดงอธิบายสติปัฏฐานโดยตรงทุกข้อเมื่อได้เข้ามาแสดงอบรมปีแรกซึ่งได้เข็ยนขึ้นไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมจำนวนที่แสดงอธิบายสติปัฏฐานโดยตรงทุกข้อนั้นได้ยี่สิบสองครั้ง รวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกันให้ชื่อวันแนวปฏิบัติทางสติปฐานผู้ที่ต้องการจะสัตย์อธิบายสติมหาสติประฐานนสุดแต่ละข้อก็อาจหาอ่านได้โดยสะดวกในพัสการนี้จะได้แสดงนำ โดยพระพุทธคนพระธรรมคุณพระสังฆคุณไปทีละข้อตามบทสันเิญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่โกรธกันว่าอิทิพิโสภะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นสวากาโตภะวัตาธรรมโมเป็นต้น สุปฏิปันโนภะวตโตซาวะวะสังโฆเป็นต้นในบทพระพุทธคุณนั้นเริ่มด้วยคำว่าอิติปิโสภะวพระภูมีพระภาคเจ้านั่นอรหังเป็นพระอรหรันติติปิแม้อย่างนี้เป็นต้นคือ ยกศัพท์ขึ้นแปลได้ว่าพ ร, ระโวาพระภูมิพระภาคเจ้าโซพระองค์นั้นอรหังเป็นพระอรหันติติปิแม้อย่างนี้คำว่าอิติปิแปลว่าแม้อย่างนี้เป็นคำทแทนการพิจารณาของทุกคน คือในการพิจารณาพระพุทธคุณนั่นก็คือยกเอาบทพระพุทธคุณแต่ละบทขึ้นพิจารณาบทแรกก็คืออรหังก็ยกบทอรหังขึ้นพิจารณาว่าพระภูมิประาพาจยาวนั้นอรหังเป็นพระอระหัน อิติปิแม่อย่างนี้แม่อย่างนี้คือว่าสุดแต่ภูพิจารณาจะพิจารณาไปอย่างไรจะพิจารณาว่าเป็นพระอรหันต์อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าอิติปิว่าพิจารณาว่าเป็นพระอรหันต์แม่อย่างนี้แม่อย่างนี้แต่ว่าการพิจารณานั้นถ้าไม่รู้เนื้อความ พอพิจารณาไม่ถูกก็เป็นพระอาหารหันต์อย่างไรเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงได้แสดงสอนเอาไว้สําหรับผู้พิจารณาจะได้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติพิจารณาหรือเรียกว่าจเจริญพุทธานุสติสําหรับผู้พิจารณา จะได้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติพิจารณาหรือเรียกว่าจะเริญนพุทธานุสติทรรมการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งพระอาจารย์ได้แสดง เนื้อความของบทวา่าอรหังประมวลเขาแล้วก <pay ă. S 2> ็เป็น5าประการคือ 1. นชื่อว่าอรหังเพราะเป็นภูไกลกิเลสข้อสองชื่อว่าอรหังเพราะเป็นภูกาจัดข้าศึกคือกิเลส ข้อสามคือว่าอรหังเพราะเป็นภูหักกรรมแห่งสังสารและจักคือล้อแห่งสังสาระหรือสงสารการท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายไปในภพชาติทั้งหลายเป็นอันมากข้อสี่ชื่อว่าอรหัง เพราะเป็นภูควรไหว้ควรบูชาข้อห้าชื่อว่าอารหังเพราะเป็นภูไม่ทําบาปทั้งหลายแมในที่ลับคือไม่ทําบาปทั้งในที่แจง้งทั้งในที่ลับคือไม่ทําบาปในที่ทุกสถานพระอาจารย์ได้แสดงไว้สําหรับ จเริญพุทธานุสติหรือพิจารณาระพุทธคุณของบทนี้ไม่เป็นห้าประการดังนี้ในวันนี้จะแสดงโดยสังเขปแต่ในข้อที่หนึ่งว่าเป็นภูไกรกิเลสกิเลสนั้นได้แก่เครื่องเศร้าหมองของจิตกิเลสที่พูดกันรู้จักกันอยู่ โดยมากก็คือราคะความติดใจยินดีหรือโลภะความโลภอยากได้โทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงหรือที่เรียกกันว่าราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะหรือที่จัดแสดงไว้เป็นทุกข์สมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ ในอรียสัตสี 4, ก็คือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากของใจเพื่อจะได้พัสดุที่น่าใครน่าปรารถนาพอใจทั้งหลายอันเรียกว่าการมาตัณหาเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภาะวะตัณหาเพื่อที่จะไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาต้องการ สิ้นไปหมดไปนี่เป็นกิเลสที่แสดงกันอยู่พูดกันอยู่จึงมักยันได้ยินได้ฟังกันอยู่โดยทั่วไปกิเลสนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเครื่องที่จอนเข้ามาจิตใจ จึงไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจแต่เป็นสิ่งที่เป็นอาัารุกกะคือแขกหรือผู้มาเยี่ยมเยียนเป็นต้นของจิตใจแต่ก็อาศัยเกาะจิตใจอยู่ตลอดเวลาช้านานคือเข้ามาอาศัยเข้ามาเยี่ยม จิตใจแล้วก็ไม่ยอมออกไปหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใจิตใจนี้เองรับเอาไว้ให้อยู่อาศัยเหมือนอย่างอ้อนวอนให้อยู่อาศัยเชิญให้อยู่อาศัยอยู่ในใ จ, ใจิตใจมีอะไรอยู่ในกิเลส ท, ทั้งหลายติดอยู่ในกิเลส ท, ทั้งหลาย กิเลสทั้งหลายจึงไม่ออกไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นเพื่อแสดงว่ากิเลสนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าทินของจิตใจไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเรียกเมื่อแสดงถึงเรื่องที่กิเลสเข้ามาอาศัยอยู่ในจิตใจว่า ปุปกิเลสแปลว่ากิเลสที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจิตใจดังที่ได้ตรัสแสดงถึงเนื้อแท้ของจิตธรรมชาติของจิตว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องแต่ว่าเศรมองไปเพราะอุปกิเลส คือเครื่องสมองทั้งหลายที่จอนเข้ามาและเมื่อได้บำเพ็ญจิตภาวนาอบรมจิตก็อาจที่จะทำจิตให้วิมุตต์หลุดพ้นจากเครื่องสมองที่จอนเข้ามาทั้งปวงได้ดังนี้เพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงได้แสดงว่า ปฏิบัติทำจิตภาวนาให้พ้นจากกิเลสได้ดับกิเลสได้แต่หากว่ากิเลสเป็นเนื้อแท้ของจิตใจก็ไม่อาจจะดับได้แต่เพราะกิเลสไม่ได้เป็นเนื้อแท้ของจิตใจเป็นอาคันตุกะคือเป็นภูนที่จอนเข้ามาฉะนั้นจึงปฏิบัติดับกิเลส กำจัดกิเลสให้กิเลสออกไปจา ก, ก จ, จิตใจพ้นไปจา ก, ก จ, จิตใจหรือให้จิตใจพ้นไปจากกิเลสได้และในข้อนี้พระพุทธเจา้าได้ทรงปฏิบัติดับกิเลสได้มาก่อนด้วยพระองค์เองโดยที่เมื่อ พระพุทธเจ้าก่อนจะ ต, ตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์คือเป็นสัตว์ผูสแสวงหาทางเพื่อตรัสรู้สัตว์ก็คือสัตว์ตวโลกอันแปลว่าผูกข้องผู้ติดมเมร็ดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์ดันฌาน ก็เรยวัสัตว์ทั้งนั้นได้ในคำว่าสัตวโลกถึงเป็นคำรวมทั้งหมดเพราะยังเป็นผูกข้องผูกติดอยู่ยังไม่พ้นไปจากกิเลสยังข้องยังติดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนในตรัสรู้เมื่อเสด็จองออกทรงพนวดเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต คนแก่คนเจ็บคนตายเลยสมณะทรงพิ จ, จรารณานน้มเข้ามาว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่พ้นไปได้ทรงประทานนาโมกขธรรมธรรมะเป็นเรื่องหลุดพ้นได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะคือนักบวตผภูที่สละบ้านเรือน ออกจากเรือนเป็นภูไม่มีเรือนออกปฏิบัติสแสวงหาธรรมะที่สูงขึ้นกว่าสามั ญ, ญชนก็ทรงพอพระทยในเพศบรรพชิตเ่าเป็นโอกาสเป็นช่องว่างที่จะได้าพากเพียรทางจิต ประสบโมกธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นได้จึงได้สเสด็จออกทรงพนูตและก็ได้ทรงศึกษาในสำนักของคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่างๆบางทรงปฏิบัติทดลองไปในวิธีต่างๆซึ่งนักบทในครั้งนั้นได้ใช้ปฏิบัติกันเพื่อบรรลุถึงผลเบื้องสูง ตามแต่ลทัทธิของใครจะแสดงอย่างไรเมื่อทรงเห็นว่าทุกวิธีนั้นไม่ใช่เป็นทางให้ประสบโมกขธรรมจึงทรงสแสวงหารูปพระองค์เองทรงปฏิบัติไปจนทรงพบทางที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาขอปฏิบัติที่เป็นคุณทางกลางคือมัชฌิโมงแปดไม่คงแวะด้วยทางที่เป็นการมาสุขันิการุโยคประกอบตน ใหู้พพันธ์ในความสุขสดชื่นอยู่ในกามและที่เป็นอัตตะกิลมาฐานุโยคทรรมานตนให้ลำบากเปล่าในทรงปฏิบัติไปในมรรคมีองค์แปดสมบูรณ์แล้วจึงได้ตรัสรู้ประธรรมก็คือตรัสรู้ในอรยิยสัจสีดังที่ตรัสแสดงไว้เองในปฐมเทศนา วิชาวิมุตต์ความรู้และความหลุดพ้นจึงมึนจิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งสิน้นทั้งที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดคือที่มาอาศัยอันเรียกว่าอาสวะหมักหมมหรืออนุสัยนอนจมอยู่ในจิตสันดานได้หมดสิน้น จิตของพระองค์จึงบรรลุถึงนิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดโดยอำนาจของมรรคมีองค์แปดมีสมาธิทีความเห็นชอบเป็นต้นฉะนั้นจึงทรงเป็นภูบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทรงเป็นภูไกลกิเลสคือหมายความว่า สิ้นกิเลสทั้งหมดความไกลกิเลสคือความสิ้นกิเลสทั้งหมดนี่พึงเข้าใจว่าสิ้นหมดตลอดจนถึงกิเลสที่นอนจมหมักห ม, มมอยู่ในจิตสันดานอันเรียกว่าอาสวะอนุสสยดังที่กล่าวมาแล้วไม่ใช่หมายความว่าเป็นผู้ยังไม่สิ้นกิเลสจนถึงขั้นอาสวะอนุสั่นี้ เหมือนอย่างบุคคลแม้ซึ่งเป็นครูปฏิบัติธรรมะปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาในบางคราวเมื่อศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงจิตใจจิตใจก็สงบได้ปีติได้สุขมีความรู้ความเห็นที่เป็นตัวปัญญาแจ่มใส มีจิตที่เป็นสมาธิตั้งมันแนวแน่มีศีลที่บริสุทธิ์จึงดูเหมือนจะสิ้นกิเลสบางท่านสำคัญตนว่าเป็นพระอระหันต์สิ้นกิเลสแล้วก็มีลักษณะดังกล่าวนี้ได้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคือเมื่อปฏิบัติไป จิตใจมีความสงบบริสุทธิ์ดังกล่าวมีความรู้ความเห็นที่แจ่มชัดดังกล่าวก็สมคัญตนมาเป็นพระอราหันต์เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเพื่อให้ทรงพยากรณ์ละพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอราหารันต์ จึงให้ไปที่ป่าชาผีดิบก่อนเพราะในครั้งนั้นผู้ที่ถึงแก่กรรมไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ญาติก็ น, นำศพไปทิ้งไว้ในป่าชามอบให้ผู้รักษาป่าชาหรือที่เรียกกันว่าสับปะเรอจัดการเผา เมื่อภิกูุไปที่ประชาริดิบดังกล่าวได้เห็นศพที่สดชื่นก็เกิดความรู้สึกยินดีจึงรู้ตนเองว่ายังไม่สิ้นกิเลสทั้งนี้ก็เพราะว่ากิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยนอนจมหมักห ม, มมอยู่นั้นยังไม่สิ้นไปมาปฏิบัติทั้งสวงนั้น มันเกิดขึ้นเหมือนอย่างทับกิเลสเหล่านี้อยู่ในส่วนลึกของจิตกิเลสเหล่านี้ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างเป็นตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่เมืเม่ อ, อยังไม่มีใครไปกวนน้ําในตุ่ให้วันไหวตะกอนก็ไม่ฟุ้งขึ้นมาดูน้าําก็ใสสะอาดเหมือนอย่างไม่มีตะกอน ครั้นเมื่อไปกวนน้ำในตุ่มให้วันไหวตะกรอนจงเกี่ยวฟุ้งขึ้นมาจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อยังไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสนั่นๆเข้ามากิเลสก็เหมือนอย่างนอนสงบอยู่คล้ายไม่มีกิเลสแต่ครั้นเมื่อมีอารมณ์ นั้นๆเข้ามากวนกิเลสในจิตที่เป็นตากอนนั่นก็ฟุ้งขึ้นมาจิตจิงคุณมัวโดวยราคะหรือโลภะบังโทสะบังโมหะบังปรากฏเป็นกิเลสในจิตที่ทุกๆคนก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นการละกิเลสได้สิน้นก็ต้องสิ้นให้ถึงอาสวะอนุัย จึงจะเป็นอันว่าสินหมดหมอเป็นอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผูที่ไกลกิเลสถ้ายังมีอาสวะอัก็ไม่ชื่อว่าไกลกิเลสแต่ยังอยู่กับกิเลสเรียกว่ายืนทับกิเลสเดินทับกิเลสนั่งทับกิเลสนอนทับกิเลสอยู่แลายังมีกิเลสอยู่ในจิตส่วนลึก จึงชื่อว่าเป็นภูใกล้กิเลสยังไม่ไกลกิเลสต่อเมื่อละอาสวะอนุสัยได้หมดสิน้นจึงจะเป็นภูไกลกิเลสได้พระพุทธเจ้าทรงละกิเลสได้หมดสิน้นจนถึงขั้นอาสวะอนุสัยสิน้นเชิงไม่มีหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าอารหัง ซึ่งแปลกันมาผูกไกลกิเลสในภาษาไทยมักจะใช้คำนี้กันอยู่มากเป็นคำแปลของคำ่าอารหังหรืออารหันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธานุสติเมื่อรู้เนื้อความของบทว่าอารหังดังนี้ แม้เพียงข้อเดียวแล้วก็พิจารณาได้สะดวกคือพิจารณาในใจของตนเมื่อพระภูมิพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นพระอระหังหรือเป็นพระอระหันต์อย่างนี้อย่างนี้คืออย่างที่แสดงมานี่เมื่อเป็นดังนี้ การพิจารณาซึ่งเป็นพุทธานุสตินี้ก็จะทำให้จิตใจใสสะอาดเป็นโตัวภาษาธะคือความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าอันเป็นที่ตั้งของศรัทธาคือความเชื่อจิตก็รวมเป็นสมาธิสงบนิวรณทั้งหลายลงได้ พราะฉะนั้นพุทธานุสติแม้ข้อนี้อันจึงจัดเป็นกรรมฐานสำหรับปฏิบัติจเจริญพุทธานุสติรือนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ข้อนึงสติปัฏฐาน แปล ว, ว่าตั้งสติอย่างหนึ่งสติตั้งอย่างหนึ่งที่แปล ว, ว่าตั้งสตินั้นมุ่งถึงสติปฐานที่เป็นตัวเหตุคือปฏิบัติปฏิบัติตั้งสติขึ้นเพราะว่าจะจะต้องปฏิบัติทำสติให้ตั้งขึ้นในกาย ในเวทนาในจิตและในธรรมคือธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตเมื่อปฏิบัติทมสติให้ตั้งขึ้นดังนี้ก็คือว่าปฏิบัติในสติปัฏฐานและเมื่อปฏิบัติไปจนได้ผลคือสติตั้งขึ้น ในกายในเวทนาในจิตได้ในธรรมได้ก็เป็นสติปัฏฐานที่เป็นส่วนผลเพราะฉะนั้นที่แปลว่าตั้งสติก็เป็นสติปัฏฐานที่เป็นส่วนเหตุคือปฏิบัติเมื่อแปลว่าสติตั้งก็หมายถึงสติปัฏฐานที่เป็นส่วนผลคือสติตั้งขึ้นได้ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตั้งสตินั่นเองพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นเบื้องต้นก็คือปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ทาทิฏฐิคือความเห็นให้ตรง การปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์นั้นก็ประกอบด้วยสรณะคือตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงประสงค์เป็นสรณะให้มีสรณะคือที่พึ่งอยู่ในใจเมื่อใจมีสรณะคือที่พึ่งใจก็ย่อมจะเล่นไป ในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์เมื่อใจมีศรณ ะ, ะคือที่พึ่งใจก็ย่อมจะแล่นไปในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์ใจย่อมจะกําหนดอยู่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จึงนําให้ปฏิบัติในศีล ทำกายวาจาตลอดถึงใจให้บริสุทธิ์เป็นกุศละกรรมบทเป็นสุจริตทางกายกรรมมจีกรรมมนุกรรมและทำความเห็นให้ตรงตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงตรงต่อพระธรรมตรงต่อพระสงค์เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ให้เริ่มปฏิบัติในสติปัฏฐาน คือตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทำคว า, าสมสงบสืบต่อไป